ได้เวลายัางไม่มีพิธีการเสียเวลาบางแห่งที่หลวงพ่อไปนะโอ้ยพิธียาวมากเลยทีสวดมนต์กันนานสวดมนต์มันก็ดีแหละนะแต่ฟังธรรมสำคัญถ้าฟังธรรมแล้วก็เข้าใจธรรมะเอาไปปฏิบัติได้นะชีวิตเราจะเจริญรุ่งเรืองขึ้น จะให้เทศเรื่องอะไรหน้าตาซ้ำๆท่างนเลย น, ะ ห, นหมอจะฟังเรื่องอะไรเรื่องแล้วแต่หลวงพอ่อมีใครเคยฟังหลว ง, งพ่อเทศั้งทางซีดีหรือบิทายุเพราเยอะนี่นะมีหน้าละ่ะไม่มีธรรมะ จ, จะเทศละ ถ้าเคยฟังมาแล้วค่อยๆสังเกตใจใจเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันบางวันตื่นขึ้นมาก็มีความสุขแล้วบางวันตื่นขึ้นมาก็กลุ้มใจค่อยสังเกตใจตัวเองบ่อยๆนะการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเนะี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ยากลำบากอะไรเราไปหลงกับภาพพจน์ของพวกฤาษีชีปลรอยเา เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนะั้นต้องเป็นนั่งหลับตานะนั่งนานๆยิ่งถ้านั่งจนหนวดงอกเราก็นกกระจอกเข้าไปทำหลังได้เนะี่ยเก่งจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมในาศาสนาพุทธเนี่ยมันคือการเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองก็คือกายกับใจทุกวันนี้สังเกตดูเถอะภาระทั้งหลายที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็เนื่องด้วยกายด้วยใจเท่านั้น เพราะมีกายนะก็ทุกข์เพราะกายเพราะมีจิตใจก็ทุกข์เพราะจิตใจมีอะไรก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นเสียงเสียงแบบนี้ไม่คุ้นเลยมันเหมือนมีคนมาเทศแข่งไม่เป็นไรหมอไม่เป็นไรคอยรู้สึกตัวนะขั้นแรกขั้นแรกสุดของผู้ปฏิบัติต้องรู้สึกตัวให้เป็น คนในโลกไม่รู้สึกตัวคนในโลกนี้มันตื่นขึ้นมาเฉพาะร่างกายแต่จิตใจถนะ้หลับฝันตลอดตั้งแต่เกิดจนตายเป็นอย่างนั้นตลอดเลยอาศัยว่าเราได้ฟังธรรมะใจเราจะค่อยๆตื่นขึ้นมาคำว่าใจที่ตื่นนะเป็นใจที่รู้เนื้อรู้ตัวใจที่ไม่ตื่นมันแอบไปคิดมันหลงไปอยู่ในโลกของความคิดคิดไปเรื่อยๆคิดทั้งวัน พวกเรารู้สึกไหมใจเราคิดตลอดเวลาดูออกไหมเรียนธรรมะ ก, กับหลวงพ่อทำใจสบายๆนะรับเราฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่ฟังแล้วจะตื่ น, นคนไม่เคยรู้เรื่องเลยนะวันก่อนไปวันเมื่อวันเสาร์ปรเทศที่แห่งหนึ่งคนส่วนมากไม่เคยฟังแต่เขาก็ฟังไปเรื่อยๆนะไม่นานาใจเขาก็ตื่นขึ้นมาเป็นแถวเลย พวกเรายิ่งเคยฟังมาแล้วเนี่ยไม่ยากที่จะตื่นขึ้นมาใจที่ตื่นคือใจที่ไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดสังเกตไหมเราคิดทั้งวันขณะที่เราคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดแต่เราจะลืมกายเราจะลืมใจงั้นเวลาเราไปคิดเราจะลืมกายลืมใจตัวเองตลอดเวลาเพราะมันคิดทั้งวัน ทำยังไงเราจะตื่นหลุดออกมาจากโลกของความคิดแล้วก็มาอยู่ในโลกของความเป็นจริงได้ถ้าเมื่อไรเรารู้ทันว่าจิตแอบไปคิดเมื่อนั้นเราจะตื่นขึ้นมาชั่วขณะนั้นให้เราคอยรู้บ่อยๆเวลาจิตมันไปคิดสังเกตไหมขณะที่นั่งฟังหลวงพ่อพูดบางคนบางคราวก็มองหน้าหลวงพ่อพอมองหน้าแล้วก็ตั้งใจฟัง ฟังสองสามคำจิตก็หลบสลับไปคิดคิดในเรื่องที่หลวงพ่อพูดบ้างคิดเรื่องอื่นบ้างไม่ได้ฟังอย่างเดียวดูออกไหมฟังไปคิดไปฟังนิดนิ ด, น ด, นดหน่อยหนแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดถ้าคนใดสามารถเห็นได้ว่าจิตไปฟังหรือสามารถเห็นได้ว่าจิตไปคิดนี่เรียกว่าเรามีสติรู้ทันจิตตนเอง เมื่อไรรู้ทันจิตตนเองนะจิตมันจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาสู่โลกของความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นต้นทางของการปฏิบัติถ้าไม่รู้สึกตัวไม่สามารถจะปฏิบัติมีปัสสนากรรมฐานได้ถ้าไม่ได้ทำมีปัสสนากรรมฐานจะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้จะพ้นทุกข์ไม่ได้จริงแต่ถ้าทำมีปัสนากรรมฐานนะขั้นแรกรู้สึกตัวก่อน ค่อยๆฝึกนะวิธีฝึกให้รู้สึกตัวก็คือเวลาฟังหลวงพ่ออยู่นี่แหละใจมันหนีไปคิดบางทีก็คิดเรื่องที่หลวงพ่อพูดบางทีก็ไปคิดเรื่องอื่นเมื่อไรใจไปคิดแล้วเรารู้ทันว่าใจไปคิดเมื่อนั้นจิตจะตื่นขึ้นมาดูออกไหมคิดตลอดเวลาดูออกไหมค่อยๆสังเกตใจเราไปเรื่อยๆนะใจเราคิดไปเรื่อยเดี๋ยวก็แวบไปคิดเดี๋ยวก็แวบไปคิด ค่อยๆดูไปพอหัดสังเกตไปเรื่อยๆต่อไปเวลาจิตมันหนีไปคิดปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกตัวปั๊บเลยทันทีที่รู้สึกตัวจิตใจก็อยู่กับเนื้อกับตัวเราสามารถเห็นกายได้สามารถเห็นใจตัวเองได้เมื่อไรเราหลงไปคิดเราจะลืมกายเราจะลืมใจของตนเองสังเกตไหมเวลาเราคิดเรามีร่างกายก็เหมือนไม่มี จิตใจเราจะสุขจิตใจเราจะทุกข์จิตใจจะเป็นกุศลหรืออกุศลเราก็ไม่รู้งะ้นเราคอยรู้สึกนะใจไหลไปคิดเรารู้ใจไหลไปคิดเรารู้ฝึกตัวนี้นะถ้าฝึกตัวนี้ได้เราจะดได้ต้นทางที่จะเดินวิปัสสนาต่อไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเรารู้สึกตัวได้นะต่อไปเราจะเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตตามความเป็นจริงเวลาเราหลงไปในความคิด เราจะลืมกายเราจะลืมใจตัวเองเวลาเราตื่นขึ้นมามีสติขึ้นมาอย่างแท้จริงเราจะรู้สึกกายเราจะรู้สึกใจการรู้สึกกายการรู้สึกใจนะให้รู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกไปตามความเป็นจริงกายเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆการรู้สึกกายการรู้สึกใจตามความเป็นจริงนี่แหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน ไม่มีปัชนาไม่ยากขั้นแรกรู้สึกตัวนะอย่าลืมกายอย่าลืมใจพอรู้สึกกายรู้สึกใจได้ดูเขาทํางานไปเราจะเห็นกายเนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลาเช่นมันนั่งก็มันก็หายใจไปเรื่อยๆหรือมันนั่งนานๆนะมันถูกความทุกข์บีบขั้นมันก็ต้องขยับไปขยับมาเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมายืนเดี๋ยวก็เติอนเดินไปแล้วก็ต้องหยุดยืนลงมานั่งนั่งนานก็เมื่อยก็ลงไปนอนเห็นัหม เนี่ยเราดูร่างกายเขาทํางานไปเอยดูเหมือนเราดูคนอื่นดูเหมือนเราเห็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกําลังเคลื่อนไหวกําลังทํางานเนี่ยดูกายอย่างนี้ตัดูเหมือนมันเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งอย่าตอนนี้หุ่นยนต์กําลังนั่งอยู่เยอะแยะรู้สึกไหมมีหุ่นยนต์สองสามตัวเดินอยู่หุ่นยนต์ส่วนใหญ่นั่งเนีเราก็รู้สึกนะเราไม่ต้องดูคนอื่นเรารู้สึกที่ร่างกายเนี้ แมเนี่ยหุ่นยนต์ตัวนี้ขยับอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ขยับใช่ไหมแล้วแค่รู้สึกไปเราจะเห็นเลยว่าไอ้ตัวที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึง่งการที่เราเห็นความจริงว่าร่างกายนี้นะไม่ใช่ตัวเรานี่เรียกว่ามีปัญญ า, าการเห็นความจริงว่ากายไม่ใช่เรากายนี้เหมือนเป็นเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวไปมา ไม่ใช่ตัวเราการภาวนาจนถอดถอนความเห็นผิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเรียกว่าวิปัสสนางั้นเราคอยรู้สึกอยู่ที่กายเราเห็นร่างกายมันทํางานไปเราคอยรู้สึกอยู่ที่จิตใจเราก็เห็นจิตใจมันทํางานจิตใจเดี๋ยวก็สุขจิตใจเดี๋ยวก็ทุกข์จิตใจเดียเด๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายอย่างอยู่โรงพยาบาลนะเราก็ฝึกง่ายนะไม่ยากหรอกโรงพยาบาลเนี่ยมีสิ่งกระทบรุนแรงเช้าขึ้นมานะ หมอขับรถมาถึงโรงพยาบาลเห็นคนเต็มโรงพยาบาลเลยหมอรู้สึกชื่นใจไหมว่าลูกค้าเยอะไม่ชื่นเลยใช่ไหมโอ้เยอะนะตอนเย็นออกจากโรงพยาบาลนะขับรถไปถึงคลินิกนโอ้โหคนเต็มนันออกมานอกคลินิกนะชื่นใจเนี่ยมันไม่ยากนะนะเรากลุ้มใจเราก็รู้เราดีใจเราก็รู้เรารู้ไปเรื่อยๆอย่างเป็นพยาบาลนะ หรือเราทำงานในโรงพยาบาลเราบางคนเราเห็นหน้าเราก็รู้สึกสงสารบางคนเราเห็นเราก็รู้สึกลำาคาญเราไม่ต้องแกล้งนะไม่ต้องแกล้งว่าเราจะต้องเป็นคนดีแต่เราปฏิบัติต่อทุกคนให้ดีที่สุดนะมันได้บุญแต่ใจของเราเนี่ยแหละมันไม่เท่าเทียมกันเนีย่ยพอมันเห็นคนไข้คนนี้ใจมันรู้สึกสงสารรู้สึกชอบนะเห็นคนนี้รู้สึกลำคขวนนี่ให้เรารู้ทันใจของเราไป ใจของเรานี่ไม่เที่ยงใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างคนนี้หน้าตาหน้าสงสารนะแต่ดื้อดื้บอกให้ทำอะไรนะมันไม่ยอมทําเลยเราชักโมโหละวใใจที่เคยเมตตา ก, กรุณานก็เปลี่ยนเป็นโทสะให้เราคคยรู้ทันใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี่แหละรเรียกว่าการฝึกวิปัสสนารู้สึกกายนะเห็นร่างกายมันทำงานไปเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวเรา รู้สึกอยู่ที่จิตใจเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบังคับไม่ได้ด้วยเราจะสั่งจิตใจเราว่าจงมีความสุขตลอดเวลาเราทาไม่ได้เราจะสั่งใจเราว่าห้ามมีความทุกข์เราก็ทาไม่ได้ในการที่เราคอยรู้กายคอยรู้ใจรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกวันแล้ววันเล่านะพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าทำเป็นรู้ได้ถูกต้อง เราก็รู้ซ้ํำๆอย่างนี้บางคน7วันบางคน7เดือนบางคน7จ็ดนปะีก็ได้ธรรมะถ้าสมัยพุทธกาลบารมีเขาแก่กล้าเขาก็เป็นพระอราหันต์กันหรือเป็นพระอนาคาคาของเราฝึกไปเจวัน7เดือนเจปีได้พระโสดาก็าบุญทมไปแล้วเพราะอินทรีย์ของเราอ่อนเราคอยฝึกนะวิธีฝึกก็คือคอยรู้สึกตัวขึ้นมาแล้ว ร, รู้กายตามที่เขาเป็นรู้จิตใจตามที่เขาเป็นรู้สึกไปเรื่อยๆ ไม่ยากอย่างที่คิดหรอกหลวงพ่อเองตอนเริ่มฝึกขึ้นมาก็ยังเป็นค า, ารวะเหมือนพวกเรานี้แหละตอนเด็กๆอายุเจ็ดขวบพ่อพาไปวัดอโศการามไปกราบท่านพ่อรีท่านพ่อรีสอนอาณาปณะสติสอนให้หายใจเราก็หายใจมาแต่เด็กแล้ว น, นะแต่ว่าต้องให้ครูบาอาจารย์มาสอนหายใจอีกทีหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรอะไรเนี่ยนะสายวัดป่าท่านทํากันเราหายใจ ไปเรื่อยๆพุทธโทพุทธโทไปเรื่อยใจเราสงบนี่ท่านพอลีท่านอยู่มาอีกสองปีท่านก็สิ้นไปเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะขึ้นวิปัสสนาเนี่ยทแต่สมถะอยู่22ปีเสียเวลามากเลยงั้นพวกเราอย่าไปนั่งทําแต่สมถะนะผู้ปฏิบัติส่วนมากติดสมถะเกือบร้อยละร้อยเลยเพิ่งมายุคนี้แหละที่ตื่นขึ้นมาได้เยอะแ ย, ยะเป็นพันพันคนก่อนหน้านี้ไปที่ไหนก็มีแต่คนติดสมถะ นั่งหายใจแล้วก็เงี้ยหายใจใจมันก็เงียบเงียบสบายสบายเงียบเงียบโง่โ ง, งเงียบเงียบแบบโง่โงไม่รู้อะไรนั้นเราต้องหัดวิปัสสนาให้ได้นี้หลวงพ่อมาเจอหลวงปู่ดูลเด็นกุมภาปีสองห้าพันยีไปกราบท่านไปถึงก็บอกท่านเลยบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติ หลวงปู่ก็ตั้งหลับตาไปเกือบชั่วโมงเราก็นึกหลวงปู่แก่แล้วหลวงปู่เพิ่งฉันข้าวไปคงหลับไปแล้วล่ะเราก็รอเมื่อไหร่ท่านจะตื่นรอรอรอกระบนการบายใจกลัวจะกลับมาขึ้นรถไฟไม่ทันท่านหลับตาหลับตาอยู่เกือบชั่วโมงลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนเลยการปฏิบัตินั้นไม่ยาก ยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านสอนให้อ่านจิตตัวเองตั้งแต่วันนั้นมานะหลวงพ่อดูใจของตัวเองทุกวันดูตั้งแต่ตื่นจนหลับดูทุกวันยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดดูไปเรื่อยๆใจเราเดี๋ยวก็สุขใจเราเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉย เดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหูเดี๋ยวก็ลังเลสงสัยเดี๋ยวก็มีปีติเดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็เป็นอุเบกขาแน่ใจมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งวันตามดูมันเรื่อยๆไปดูอยู่เจเดือนเท่านั้นแหละดูอยู่เจ็เดือนก็เข้าใจว่าเจิตใจนั้นมันทํางานของมันเองนะมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกตัวเราไม่มีหรอกค่อยๆฝึก ไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกหลวงพ่อฝึกตั้งแต่เป็นฆราวาสเราะงั้นงานที่หลวงพ่อทำนั้เมื่อก่อนอยู่สภาความมั่นคงงานเครียดที่สุดเลยมีแต่เรื่องลบราคาฝันเรื่องเช็คข้อมูลตามสถานการณ์วิเคราะห์สถานการณ์จัดประชุมดิสคัสหาวิธีแก้ปัญหาอรเงี้ยนะระยะสั้นระยะ ย, ยาวแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องยุ่งๆทั้งนั้นเแต่เราภาวนาดได้ เพราะว่าการภาวนาที่แท้จริงเนี่ยไม่เบียดบังเวลาทำมาหากินจำไว้นะการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเนี่ยไม่เบียดบังเวลาทำมาหากินเราทํางานไปเราก็ปฏิบัติไปได้การปฏิบัติที่ดีเนี่ยต้องหลอมรวมลงในชีวิตประจําวันให้ได้ถ้ายังคิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องปลีกตัวออกจากโลกไปอยู่คนเดียวอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำถึงจะภาวนาได้อนั้นยังไม่เข้าใจคําว่าวิปัสสนากรรมฐาน มิปัสนกรรมฐานมันก็คือการรู้กายตามความเป็นจริงรู้จิตใจตามความเป็นจริงด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางเรารู้กายเรารู้ใจได้เมื่อไหร่นะรู้อย่างเป็นกลางได้เมื่อไหร่เราก็ทำมิปัสนาอยู่ปฏิบัติอยู่การปฏิบัติที่มันจะต้องหลบหลีกมนุษย์ทั้งหลายเข้าไปอยู่ตามป่าตามเขาตามถาม้าส่วนใหญ่มันคือสมถกรรมฐานการปฏิบัติมันมี2 อ, อย่างอันนึงสมถกรรมฐานเป็นการฝึกให้จิตสงบ วิปัสนากรรมฐานเป็นการฝึกให้จิตเกิดปัญญาเห็นความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจก็คือกายนี้ใจนี้มันไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์กายนี้ใจนี้เป็นอนัตตาเนั้นไม่เหมือนกันสมถานะต้องการความสงบเป็นเป้าหมายต้องการความสุขเป็นเป้าหมายวิปัสนาต้องการให้เกิดปัญญารู้ความจริงของกายของใจเป็นเป้าหมายคนละอย่างกัน นันอย่างที่พวกเรานักปฏิบัติส่วนมากทำนะมันจะเป็นแค่สมถะภาวนานะอย่างเช่นเราหัดพุทโธพุทโธเพื่อให้ใจนิ่ ง, งนี้เป็นสมถะหัดรู้ลมหายใจออกหายใจเข้าเพื่อให้ใจนิ่ ง, งนี่เป็นสมถะดูท้องฟองยุบไปให้จิตไม่หลงไปจากท้องเลยให้แนบสนิทอยู่กับท้องเลยก็เป็นสมถะเราไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าแล้ว เ, เอาสติเพ่งอยู่ที่เท้าตลอดเวลาจิตไม่คลาดเคลื่อนไปจากเท้าเลยก็เป็นสมถะ บางคนขยับมือนะสายหลวงพระเทียนหลวงพระเทียนท่านเป็นพระที่ดีที่วิเศษองค์หนึ่งนะในยุคนี้ถัดจากท่านมาก็มีหลวงพ่อคำเขียนที่สืบทอดวิชาของท่านเนี่ยท่านขยับมือท่านขยับแล้วท่านรู้สึกตัวแต่ถ้ากดไหนขยับแล้วเพ่งมือหรือคิดเรื่องมือเนี่ยนี่อย่างมากที่สุดได้สมถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานทําง่ายอะไรก็ได้เอาจิตไปจดจอ่ออยู่กับอารมณ์เดียวอย่างต่อนเนื่องเดี๋ยวจิตก็สงบ เพะนส่วนมากเราทาสมถกรรมฐานจนเคยชินแล้วนึกว่าทำวิปัสสนาอยู่วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเกิดขึ้นยากมากต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นะถึงจะสอนวิปัสสนากรรมฐานถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะไม่มีวิปัสสนากรรมฐานจะมีแต่สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยรู้สึกตัวขึ้นมามีสตินะรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง พวกเราสังเกตดูพวกเราตั้งแต่เกิดมาเราจะรู้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่กายที่ใจตัวเองอยู่โรงพยาบาลสังเกตแม่เด็กมันเกิดมาใช่ไหมมันก็ไม่ได้สนใจตัวเองหรืออย่างพวกเราพอตื่นที่มาลืมตาขึ้นมาหรือยังไม่ทันลืมตาพอตื่นที่มาเราก็คิดเรื่องนอนเรื่องนี้เราไม่ได้รู้กายรู้ใจตัวเองเวลาเราดูโลกลืมตาขึ้นมาเราก็ดูคนอื่นเราไม่ได้รู้กายรู้ใจเวลาได้ยินเสียง เราก็สนใจเสียงนะเราก็ลืมกายลืมใจในคนเราลืมกายลืมใจตลอดเวลาลืมกายลืมใจตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นไม่มีคนที่จะทํำมิปัสสนาได้สักกี่คนหรอกพวกเราได้ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าถ่ายทอดมาธรรมะแห่งความรู้สึกตัวธรรมะของการเจริญสติเราต้องฝึกให้มีสติรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆ ใจนีไปคิดคอยรู้สึกใจนีไปคิดคอยรู้สึกนะรู้สึกอย่างนี้เรื่อยจนวันหนึ่งเราจะเห็นความจริงของกายของใจเราจะเริ่มเห็นว่าจริงๆกายนี้ใจนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเพอเห็นอย่างนี้อย่างแท้จริงนะมันจะเห็นเลยว่าตัวเราไม่มีถ้าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแล้วอะไรจะเป็นตัวเราถ้าจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราแล้วอะไรจะเป็นตัวเราสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจเท่านั้นเองแต่ถ้าปัญญาแกะ รอบเนะีเห็นเลกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นส่วนหนึ่งของโลกเป็นเศษทุลีของจักรวาลไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่จิตใจก็เป็นของที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตลอดเวลาเนี่ยหัดดูไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีกายนี้ไม่ใช่ตัวเรากายนี้เป็นวัตถุเท่านั้นจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรา จิตเป็นนามธรรมที่เกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆอย่านึกว่ายากนะที่วัดหลวงพ่อเดี๋ยวนี้เด็กเก้าขวบแปดขวบมันส่งกันบ้านกันหน่าฟังมากเ่ยเนี่ยพยานเยอะนะเนี่ยพวกนี้ไปที่วัดบางทีได้ยินเด็กส่งกันบ้านนะอิจฉาเลยว่าโอ๊ตเด็กมันภาวนาเก่งทำไมเด็กภาวนาเก่งเด็กไม่คิดมากบอกให้ดูไปก็ดูเลยนะดูใจของตัวเองไปดูซื่อๆรู้ซื่อๆไป ใจเราเป็นสุขก็รู้ใจมันทุกข์ก็รู้ใจเฉยๆก็รู้ใจโลภก็รู้โกรธก็รู้หลงก็รู้ฟุ้งซ่านปดหูก็รู้สงสัยก็รู้ดูไปเลยนะดูไปแล้วจะเห็นเลยว่าจิตใจที่มีความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็อยู่ชั่วคราวอะไรอะไรก็อยู่ชั่วคราวนะทุกวันคอยดูใจของเราบ่อยๆนะเราจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจเรานี้เป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลย ดูอย่างนี้ก็ได้นะหเห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงหรือดูว่ามันไม่ใช่ตัวเราก็ได้มันทำงานได้เองดูว่ามันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาก็ได้ร่างกายก็ถูกเวทนานะความปวดความเมื่อยอะไรี้บีบคั้นตลอดเวลานั่งอยู่นี่เดี๋ยวก็เมื่อยใช่ต้องพลิกซ้ายพลิกขวาร่างกายมันก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่จิตใจมันถูกกิเลสตัณหาบีบขั้น บบคั้นมีความอยากขึ้นมาใจก็ดิ้นดินไปทุกทีทุกทีเมื่อตามดูไปนะวันหนึ่งปัญญามันเกิดเลยกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเห็นอย่างนี้เราจะรู้ตัวตนที่แท้จริงไม่มีคนที่เห็นว่าตัวตนที่แท้จริงไม่มีในกายในใจนี้ตัวตนไม่มีนอกเหนือจากกายจากใจนี้ด้วยคนนั้นแหะคือพระโสดาบันเราอย่าวาดภาพว่าพระโสดาบันมันยากเกินไปมนุษย์ทุกคนนั่นแหละถ้ามี สติมีปัญญามีร่างกายแข็งแรงพอสมควรนะก็มีโอกาสนะถ้าได้ฟังธรรมถ้าได้ปฏิบัติธรรมงันะ้ขั้นแรกต้องฟังธรรมก่อนนะพอได้ฟังธรรมแล้วเราก็ต้องลงมือปฏิบัติหัดรู้สึกกายหัดรู้สึกใจนะวันหนึ่งก็จะรู้แจ้งขึ้นมาความรู้เบื้องต้นจะเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นผัสสะดับบันถัดไปก็ดูไปอีกนะมันกะนะ็ตัดครั้งที่สองเาเรียกว่าภาสพิตาขา ทำได้สกิทาคารเนี่ยสติจะไวมากเลยเพราะกิเลสไววับสติเห็นแล้วขาดสะบัน้นขาดสะบัน้นลงไปท่านถึงสอนว่าพระสกิทาคารนั้นกิเลสเบาบางเบาบางถึเพราะไม่มีโอกาสเกิดเกิดได้ไม่นานแปบ๊บเดียวนะถูกทําแท้งไปนะแล้วแวบเดียวแวบบเดียวขาดไปขาดไปนะถัดจากนั้นก็ดูกายดูใจของเราต่อไปอีกนะปัญญามันจะแจ่มแจ้งขึ้นมาว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะร่างกายมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา ถ้าคนใดเห็นความจริงแล้วจิตยอมรับได้นะว่ากายนี้ทุกรุน้วนนะจะได้ผ่านหนาคาหลังจากนั้นก็ดูไปเรื่อยๆวันใดเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกรุน้วนจิตมันจะสลัดคืนจิตคืนจิตให้โลกไปดนะังนั้นก็เป็นพระอราหันต์ที่เขาเรียกว่าพระอราหันต์การปฏิบัติธรรมไม่เหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจะทําได้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยท่านสอนมนุษย์ พวกเราก็เป็นมนุษย์นะงั้นพวกเราถ้าเราไม่ดื้อเกินไปเราเรียนที่ท่านสอนท่านสอนให้เจริญสติเราก็รู้กายรู้ใจเรื่อยๆถ้าเราไม่ดือ้อวันหนึ่งเราจะได้รับรสของธรรมะที่แท้จริงผู้ใดมีจิตใจเข้าถึงธรรมะนะจิตใจมันมีความอบอุ่นนะมีความมั่นคงมันนุ่มนวลมันมีความสุขจริงๆความสุขในโลกนะเหมือนภาพหลวงตา ความสุขในโลกนะั้นไม่ว่าจะดีจะวิเศษแค่ไหนมันเหมือนความสุขของเด็กที่เล่นกลวดเล่นทรายอยู่ข้างถนนนะเด็กมันมีทรายสกปรกมันยังเล่นได้ใช่ไหมก็ ม, มีความสุขคนในโลกก็มีความสุขแบบนั้นนะไม่ค่อยได้สาระเท่าไหร่แต่ถ้าเราภาวนาจนเราได้ความสุขในธรรมะมันเป็นความสุขที่สะอาดหมดจดเป็นความสุขที่ถาวรถาวรเป็นความสุขที่ไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งอื่น ในขณะที่ความสุขทางโลกเนี่ยเป็นความสุขที่ต้องอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นอย่างบางคนนะต้องอยู่กับคนนี้ต้องเนี่ยได้คนนี้เป็นแฟนต้องแต่งงานกับคนนี้ถึงจะมีความสุขมีความสุขไปอิงอาศัยคนอื่นบางคนก็ฝากชีวิตไว้กับลกูกถ้าลูกเราดีเราจะมีความสุขถ้าลูกไม่ดีเราจะไม่สุขความสุขของเราไปฝากไว้ที่คนอื่น ความสุขที่อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นหรืออาศัยทรัพสมบัติต้องมีเงินทองมากๆถึงจะมีความสุขเงินทองเป็นของไม่แน่นอนมันมาได้มันก็ไปได้เกิดนะไม่มีเงินขึ้นมาแล้วต้องมีความทุกข์หรือเปล่าไม่จำเป็นคนที่จนๆเขาก็มีความสุขได้ถ้าใจเขามีความสุขคนรวยๆนะก็นะไม่ได้มีความสุขเสมอไปลูกศิษย์หลวงพ่อมีทุกระดับนะรวยสุดๆก็มีจนสุดๆก็มี แต่เวลาเรียนกับหลวงพ่อนะ่ะเสมอภาคกันนั่งเสือเหมือนกันหมดเลยนะรวยแค่ไหนดังแค่ไหนเท่านะเท่ากันแล้วเราต่อค่อยๆฝึกใจของเราจกนกระทั่งเรามีความสุขอยู่ในตัวเองมีความสุขเพราะมีสติมีความสุขเพราะมีปัญญานะมีความสุขเพราะสามารถปล่อยวางกายวางใจตัวเองได้นะฝึกไปเรื่อยนะเราจะมีความสุขได้ครึ่งชั่วโมง <c oughs> ใครจะถามอะไรเชิญ อย่าถามยากนะเดี๋ยวตอบไม่ได้การนวัตการค่ะหลวงพ่อหนูอยากจะให้หลวงพ่อดูว่าหนูปฏิบัติได้ไปถึงไหนแล้วเพราะหนูเป็นโรค ก, กังวลเก่งอะค่ะหลวงพ่อหลงง่ายคิดมากจะไปไหนอะมันก็ไม่ไปไหนแหละมันก็อยู่กับปัจจุบันไปดูไปสิใจมันมีความกังวลรู้ว่ามันกังวลดูใจที่กังวลนะมันเห็นคนอื่นกังวล อย่าตอนเนี้ยใจลอยรู้สึกเปล่าข <c oughs> องโยมนะไปไปดูตรงนี้ดูตรงที่จิตแอบไปคิดจิตชอบหนีไปคิดรู้สึกไหมค <c oughs> ความกังวลนะั้นมันตามหลังการหนีไปคิดมาถ้าจิตนี้ไปคิดปุ๊บเรารู้สึกจิตนี้ไปคิดปุ๊บเรารู้สึกเราจะไม่กังวล <c oughs> แล้วถ้าเราภาวนาพุทโธพุโทพโธบ่อยๆนี้หลวงพ่อแล้วจิตจะมาอยู่กับตัวใช่ไหมคะจิตก็อยู่กับพุโทโธสิ ุ่าออยู่ววมีวิธีการนะเวลาภาวนาพุทโธเนี่ยทำยังไงจิตจะอยู่กับตัวเราพุทโธไปแล้วเราต้องคอยรู้ทันจิตไปคําว่าพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธก็คือจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราหัดท่องพุทโธเราสังเกตจิตเราไปเรื่อยพุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไป พุทโธพุทโธพุทโธจิตฟุ่งซ่านหรือว่าฟุ่งซ่านพุทโธพุทโธจิตสงบรู้ว่าสงบเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พุทโธแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยๆไม่ใช่พุทโธเฉยๆแล้วมันจะมาอยู่ที่จิตมันไม่มามันก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธตองนงียบไปเฉเบื่อนะหลวงพ่อนั่นแหละพุทโธจนกิเลสเกิดเบื่อเป็นกิเลสนะจิตมันถูกบีบใช่ไหมคะเราไปบีบจิตนะอย่าไปว่าจิตถูกบีบ เราไปจงใจบีบมันเองรู่เลยเปล่อยให้มันลอยลอยแล้วก็ ไ, ไม่ได้ป ล, ปล่อยให้มันลอย <c oughs> จิตลอยไปรู้ว่าจิตลอยไปไม่ได้ปล่อยให้ลอยนะ <c oughs> แค่รู้ <c oughs> แค่รู้ว่าจิตลอยอย่าไปบังคับจิตจิตเหมือนเด็กเด็กไม่ชอบถูกบังคับแต่ว่าเราจะปล่อยเด็กตามยาถากรรมก็ไม่ได้งั้นเรามีหน้าที่แอบดูมันเป็นระยะระยะชำเลืองดูมันไปถ้าเมื่อไรเราไปบังคับจิตมันก็เหมือนบังคับเด็ก เอาไม่เดียวไปยืนเฝ้าไว้ทั้งวันนะเด็กไม่มีความสุขจิตก็ไม่มีความสุขนั้นรู้เล่นๆแต่เห็นจิตมันทํางานไปคุณพ่อครับบางทีจิตมันฟุ้งไปอย่างเงี้ยแบบฟุ้งเยอะมากเลยนะเราพอไปรู้ฟุง้งปุ๊บมันยังไม่หายใช่ป่ะเารากนะ็รู้ฟุ้งอีกเทีย่ยวหนึ่งรู้ฟุ้งอีกเที่ยวน้ำมันถึงจะหายค่ะหลวงพ่ อ, อยังงี้นนถูกไหมอันนั้นรู้ไม่เป็น <laughs> <laughs> รู้แล้วยังจิตมีโทสะแทรกเข้ามาเราไม่เห็นอย่างพอจิตฟุ้งสัน้นเรารู้ว่าฟุ้งซัาน เราอยากให้หายรู้สึกไหมตรงอยากให้หายเนี่ยใจเราไม่ชอบความฟุง้งซ่านใจเรามีโทสะแทรกอยู่งั้นจิตในขณะนั้นไม่ได้มีสติที่แท้จริงแต่จิตในขณะนั้นมีโทสะไม่หายหรอกไม่หายฟุง้ง แ, แลวอวหนูหมาดูจิตทีทีว่าเอาตอนนี้ฟุ้งอีกไหมเนี่ยอ๋อยังไม่ฟุง้จงจงใจหันก็ไม่ได้นะบ้านอยู่ไหนดูที่ใจบ้านอยู่ที่ไหน บ้านโรยุ่นครปฐมค่ะเออมหัดเรียนกับหมอนัดหมอผมสัตว์อ้าวเบอร์สองกอนนี้ยังทำแต่สมถะยังได้สมยังไม่ขึ้นวิปัสนาณนะจิตนะในเบอร์สองอยู่นะโยมไปส่งกันบ้านเมื่อสั์ตุลาปีที่แล้วตอนนั้นคือมันเห็นแต่เกิดเกิดดับดหลวงพ่อเขาบอกว่าให้ ดูอย่างนี้เลยไปแต่ตอนนี้ยมรู้สึกว่ามันมันช้ามันเห็นเกิดดับจริงแต่ว่ามันเห็นช้าแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตกข้างทางไปไกลหรือยังให้หลวงพ่อสวาเรา ต, ต้องฝึกให้สติเกิดบ่อยๆนะการที่จะมีสติเกิดบ่อยต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ของจิตเอากายก็ได้เอาจิตก็ได้นะมาเป็นเครื่องอยู่หมายถึงเรารึกถึงมันบ่อยๆอาจจะเดินจงกรมบ่อยๆ เดินไปแล้วใจลอยแล้วรู้สึกใจลอยแล้วรู้สึกรู้ว่าใจลอยถ้าซ้อมอย่างนี้เรื่อยๆนะจะไม่หลงนานของโยมมันไม่มีแรงแนละ้วจิตมันหลงนานตอนนี้รู้สึกมันอ่อนมากเลยเออนั่นแหละไ ป, ไปเพิ่มแรงก็ด้วยการไปเดินเดินจงกรมนะเดินเป็นไหมชอบเดินค่เดินให้ดูได้ไหมก็เดินเอามาเดินเนี้ยเอามาเดินโชว์เห็นไหมขาดสติเห็นไห ม, หไหมอ่าพอละนั่งได้ เดินจงกลมก็คือเดินมีสตินะเดินรู้สึกตัวไปเนี่ยอย่าอย่าไปแบบดูไปเรื่อยๆ อ, อย่างเดียวอย่างเดียวไม่พอถึงจุดหนึ่งมันหมดแรงต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่อย่างเอาการเดินจงกลมเป็นเครื่องอยู่เดินไปแล้วก็รู้สึกรู้สึกไหมจะคล่ําครวนจิตอยากคล่ําครวนรู้สึกไหมให้รู้ทันมันเข้าไปเลยเนี่ยจิตแอบไปคิดรู้สึกไหมรู้สึกไหมตัวนี้มันทะยักหน้า ไม่รู้หรอกเพราะแอบไปคิดเนี่ยรู้รู้ลงปัจจุบันไปไดยรู้สึกไหมจิตเริ่มมีแรงขึ้นแล้วเนื่อเพราะเราเคลื่อนไหวเราเปลี่ยนแปลงมีอารมณ์ใหม่ๆมากระทบอยู่เรื่อยๆนะแล้วเรามีสติตามดูเรื่อยๆอย่างตอนเนี้ยมาตั้งใจฟังแล้วรู้สึกไหมมารอฟังแล้วให้รู้ทันนะจิตไหลไม่อยู่ที่หลวงพ่อแล้วเอาไปเบอร์สามไปเดินจงกรมนะคนนี้ยอย่าขี้เกียจเดิน มีกี่เบอร์ละแอสตันล้อยี่สิบช่วเหรอเอาเอาว่ามาเบอร์อะไรละเบอร์สามอยู่ไหนเบอร์สามอยู่ไหน ค, คุณยายเหรอคุณยายละจะอ่านแทนคุณยายนะครับผ ม, มครับขอถามว่าเราทำบุญหนึ่งชุดมีข้าวหนึ่งถุงกับหนึ่งถุงของหวานหนึ่งถุง น้ำหนึ่งขวดแล้วกรวดน้ำแผลไปให้ญาติเช่นมีปูญ่ญาตายายลุงป้านะ้าอาพี่น้องเยอะเขาจะได้กินคนละนิดคนละหน่อยเขาจะอิ่มกันไหมโอ้ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเอาอย่างนี้สมมุตินะเวลาเราไปดูหนังเนะี่ยตัวละครตัวหนังอะไรมันเล่นมันเล่นอยู่ไม่กี่ตัวใช่ไหมคนดูดูทีละพันคนหมื่นคนมันก็หัวเราะล้อมกันได้ใช่ไหม มันก็มีความสุขพร้อมกันได้เวลาเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลเนี่ยถ้าคนไหนเขาอนุโมทนาดีใจกับเราว่าเราได้ทำความดีเขาได้บุญด้วยจะ ก, กี่ร้อยกี่พันคนมันก็ได้บุญเหมือนกันหมดแหละไม่ใช่เอาไปแบ่งเงินกินนะแบ่งเงินกินนะมันไม่ได้กินสักคนเดียวพระเอาไปกินหมดเลยครับอ้าวเบอร์ต่อไปเบอร์สี่อย่างเราดูหนังนหรือดูละครโทรทัศน์เนี่ย ตัวละครมีอยู่สองสามตัวมีคนดูสมมติลุงเลดติ้งสูงดูแสนคนมันก็สนุกแสนคนน่ะมันไม่ต้องเฉลีย่ยความสนุกไปเหลือคนละนิดเดียวนะหลวงพ่อครับยังมีคำถามหนึ่งของบุญยายครับผมอ่าว่าไปคือเตี่ยแม่เป็นคนต่างดาวไอ้ต่างดาวครับอขอโทษครับเป็นคนต่างดาวครับ แต่ก่อนเขาไม่มีทะเบียนบ้านไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านถามว่าทําบุญแล้วกรวดน้ําแผ่ให้เจ้ากํามนายเวรแล้วแผ่ชื่อทุกคนแล้วเขาจะรับหรือเปล่าครับผมไม่เห็นเกี่ยวกับทะเบียนบ้านเลยจะมีทะเบียนไม่มีทะเบียนมันก็ไม่เกี่ยวนะไม่จําเป็นหรอกทะเบียนบ้านกับทะเบียนของยมประบาลคนละอันกันเอาว่าไปเบอร์สีอยู่ไหน กราบหลวงพ่อค่ะอ้าวว่าไงเจ๊ได้มีโอกาสมาส่งหลวงพ่อคะ่ะเพราะว่าจิตมันซึมมาค่ะหลวงพ่อจิตมันซึมนะมันต้องหาผัสสะมากระทบอย่าปล่อยให้มันนิ่งกระตุกกระดิกไว้วเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไวนะ้คิดถึงลูกไว้ลูกเรามันดือ้อนะพอลูกเรามันดื้อนะใจเราคิดถึงมันเราก็โมโห่เงี้ย โมโหเราก็รู้ขณะที่โมโหไม่ซึมรู้สึกไหมขณะที่ไม่มีอะไรกระทบต่างหากระซึมราะฉะนั้นเราหาอะไรกระทบนะจริงๆแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจเรากระทบอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเราคอยรู้สึกเรื่อยๆแอ่อตอนเนี้ยหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมใจมันไปกระทบความคิดเนี่ยคอยดูบ่อยๆคอยดูบ่อยๆอี้รู้ไปบ่อยๆหลวงพ่อแล้วเวลาไหว้พระล่ะคะหลวงพอ่อ ชอบชอบบง่วงเหรอคะซึมแล้วจะง่วงซึมแล้วจะง่วงเลยค่ะเวลากราบพระละค่ะทําไมล่ะขึ้นไปกราบพระแล้วมันจะซึมแล้วจะง่วงมากละค่ะแล้วก็เริ่มกราบตั้งแต่ยังไม่ทันจะง่วงสิก็สองทุ่มกว่าละค่ะเอากราบตั้งแต่ตื่นเลยยังไม่ทันจะง่วงหรอกนี่หมดแรงแล้วนะาจะไปสวดมนต์ใจมันหมดแรงไหมคะเราเอาตั้งแต่ตอนที่ยังมีแรงสิตื่นนอนมาเรารีบไหว้พระก่อนเลยเอากําไรไว้ก่อน เกิดเราตายวันนี้นะเราได้ไหว้พระแล้วกําไรน ะ, ช, ะช่วงเช้าก็ได้บ้างค่ะบางครั้งถ้ารีบก็ก็ผ่านเดี๋ยวนี้เด็กๆมันชอบไหว้พระนะกราบเสร็จแล้วเหมือนเมื่อวานค่ะแล้วมาขอพรพระให้สอบได้ <c oughs> เมือมันสอบป .6 ได้นะพระก็บอกจงสอบได้ป .6 <c oughs> มาทุกวันก็ให้มันป .6 แค่นั้นแหละ เพราะมันอยากไหว้เหมือนทุกวันอีแต่วอย่าปล่อยใจให้ซึมให้มันเคลื่อนไหวไว้นะทำใจให้มันคึกคักไว้ใจมันไม่ค่อยได้ไปวัดมันไม่มีผัสสากระตุ้นนะเอาเบอร์หกใช่ไหมหรือเบอร์หนะ้าปฏิบัติตามซีดีของท่าน น, น, นะคะก็ไม่รู้ว่าตื่นหรือยัง เห็นกิเลสไหมเห็นกิเลสไหมถ้าเห็นกิเลสก็ใช้ได้รู้สึกไหมจิตไปอยู่ในไมโครโฟนเนี่ยรู้ทันจิตของเราก็ใช้ได้เนีย่ยตอนนี้จิตหนีไปคิดทราบไหมอย่าไปกดไว้ยังกดอยู่ยังกดจิตอยู่ปล่อยให้จิตมันทํางานไปตามธรรมชาติแล้วรู้ไปสบายๆของโยมภาวนาแบบเคร่งเครียดมากเกินไป ต้องภาวนาสบายนะไม่ใช่ภาวนาเราเครียดจริงจังไปดูให้สบายกว่า น, นี้อีกรู้สึกไหมใจเราแข็งแข็งต้องดูไปด้วยใจที่สบายสบายโล่งๆล่งเบานะเบาเดินเดิ น, เ ด, นเดินก็มีประโยชน์นะเดินค่อยถนัดนะเราต้องจัดเองอนะเอาว่าไปพรธีการข์พระอร เข้ามาแล้วเนี่ยผมไม่รู้จะมาถามอะไรอือ so so yeah. uh, right. ่าสถาว่า uh? ม okay. uh. like, ันก็เป็นผมได้มีคําถามพิเศษเพิ่มไมคำถามหนึ่งครับหลวงพ่อครับเรามีวิธีการแยกแยะปัญญาที่เกิดจากการอ่านคิดพิจารณาจากปัญญาที่เกิดจากระหว่างการภาวนาได้อย่างไรให้เราแน่ใจว่าเออนั่นแหะคือปัญญาเวลาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเนี่ยมันเป็นปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของจิตส่วนปัญญาที่เกิดจากการคิดเนี่ยนะมันคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยเชื่อมันไม่ได้หรอก เวลาที่เราทำวิปัสนาจริงๆเนี่ยจิตต้องหลุดออกจากโลกของความคิดที่ตอนเริ่มต้นหลวงพ่อถึงบอกมาว่าต้องหลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้ก่อนถ้าเรายังไม่หลุดออกจากโลกของความคิดนะเราไปเจริญปัญญามันก็เป็นปัญญาของการคิดไปอย่างตอนนี้ใจลอยไปแล้วทราบัหมใจมันไปคิดทราบไหมนให้เห็นมันแวบมาแวบไปเร่ย การที่เราเห็นมันแวบมาแวบไปซ้าแล้วซ้าอีกนะนานไปเนี้ยปัญญาที่เกิดจากการภาวนามันจะเกิดขึ้นมันจะเห็นความจริงว่าจิตเนี้ยเวลามันจะแวบมันก็แว บ, บของมันเองเราบังคับมันไม่ได้นั่นะปัญญาที่แท้จริงถึงจะเกิดปัญญาจากการคิดจากการอ่านจากการฟังนะมันไม่พอที่จะสู้กับกิเลสกิเลสไม่กลัวเพราะปัญญาจากการอ่านสมมุติเราอ่านพระไตรปิฎกหรืออ่านหนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์ มันเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ไม่ใช่ความรู้ของเราเรื่องที่เราไปอ่านมันก็เลยสู้กิเลสของตัวเราเองไม่ได้หรือปัญญาที่เกิดจากการคิดเราคิดเอาเองมันสู้กิเลสไม่ได้จริงถ้าอยากรู้แจ้งนะก็ต้องภาวนาการภาวนาไม่ใช่การท่องพุทโธพุทโธอะไรงั้นนะการภาวนาหมายถึงเจริญสติค่อยมีสติรู้กายรู้ใจเรื่อยๆถึงวันหนึ่งปัญญามันจะเกิด มันจะเห็นทั้งกายทั้งใจนี้มันไม่ใช่ตัวเราอย่าตอนนี้ใจลอยรู้สึกไหมใจไปคิดมันแอ บ, บไปเกิดสภาวะที่ว่าใจลอยไปว่าใจไปไหนก็ตามนะเกิดฟุกงซ่านหรือเกิดภาวะเมันกับคลายโมฆะแต่ว่าเรารู้ว่ามันก็มังเกิดนี้อยู่นี้กาลังควบคุมเราอยู่ก็ต้งนั้นถือว่าใช้ได้ใช่ได้ไม่ผ่องไม่ป่องใ ส, ไ ม, งใสไม่เป็นไรให้รู้ด้วยความเป็นกลางตัวสําคัญคือรู้ด้วยความเป็นกลาง พระพุทธเจ้าถึงสอนนะว่าถ้าจิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลท่านให้คะแนนว่าดีจิตเป็นกุศลไม่รู้ว่าเป็นกุศลใช้ไม่ได้จิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลดีนะไม่ใช่ไม่ดีจิตเป็นอกุศลไม่รู้ว่าเป็นอกุศลนี่เลวที่สุดเลยเพราะฉะนั้นถ้าจิตเรามีกิเลสขึ้นมาอย่าไปโกรธมัน <c oughs> จิตมันมีกิเลสขึ้นมาแล้วเรามีสติรู้ทันในขณะ น, นั้นถือว่าดีแล้ว ปัญญามันจะเกิดขึ้นมันจะเห็นเลยว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่จิตหรอกเห็นตอนนี้ใจลอยไปอีกแล้วทราบไหมเรื่องบอกแล้วทราบเพือย่างดีบางคนบอกแล้วเถียงอิงนะเราพ่อเคยเจอนะมีผู้หญิงคนหนึ่งเราบอกใจลอยแล้วไอ้มันโมโหเรานะสบัดดิฉันไม่เคยใจลอยเลยนะโอ้โหน่ากลัวเราแบสรุปร่มย้อ ยังไม่ได้ดอกนะถึงช่วงหนึ่งก็ต้องทําความสงบพอมาบ้างนะเพราะเราต้องดูเวลาเราขับรถใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ต้องเหยียบคันเร่งเดี๋ยวก็ต้องเหยียบเรบรกการภาวนาเหมือนกันนะบางทีก็ต้องทําสมถะบางทีก็ทําความสงบให้จิตมีแรงขึ้นมาบางทีก็ต้องเดินปัญญาไปแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยคุณคอยรู้กายคอยรู้ใจที่คุณฝึกอยู่เนี่ยคุณจะคอยรู้ใจอยู่นะคุณรู้ไปเรื่อยๆแต่ใจของคุณตอนเนี้ย มันยังรู้ไม่เป็นกลางทีเดียวมันรู้แบบจะเอาเรื่องมันนึกออกไหมอย่างเห็นกิเลสก็จะไม่ชอบมันอต้องรู้ไปจนกรทั้งมันเป็นกลางนะความสุขเกิดขึ้นก็สักว่ารู้สักว่าเห็นไม่ได้หลงตามความทุกข์เกิดขึ้นก็สักว่ารู้สักว่าเห็นไม่เกลียดมันกุศลเกิดขึ้นก็แค่รู้แค่เห็นไม่ไปหลงกับมันอกุศลเกิดขึ้นก็ไม่เกลียดมันแค่รู้ท้งนั้นเอง รู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยจิตที่เป็นกลางค่อยฝึกไปนะเลยมันเป็นกลางแต่ว่าที่ฝึกมาเดิมเนี้ยใช้ได้แล้วนะดีขึ้นเยอะแล้วสังเกตไหมใจเราสว่างกว่าแต่ก่อนดูออกไหมก่อนสว่างกว่าในช่วง้สว่างด้วยสมถะไม่ได้นะ อดีพดีปล่อยปลาละเลยนะใช้ไม่ได้นะขยันเกินเหตุนะถ้าเรารู้ต้นต่อของมันต้นต่อของมันคือโลภะถ้าเราเห็นโลภะที่เกิดขึ้นในจิตก็ใช้ได้ละเอาเบอร์อะไรเบอร์เจ็ดเบอร์เ จ, เเจแล้วแปดอยู่ไหนครับแปดยกมือ น, นิดหนึ่งครับกบรามนรรสการหลวงพ่อค่ะเไหนเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดลูกอยากสอบถามหลวงพ่อว่า อย่างลูกเนี่ยจะลิตควรจะใช้ปัญญานําสมาธิหรือว่าสมาธินําปัญญาเจ้าค่ะของคุณติดสมาธิเยอะอยู่แล้วนะคุณออกมารู้กายไว้มากๆเลยเร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไปได้่อยๆนะเห็นใจอยู่ต่างหากสมาธิเยอะอยู่แล้วแล้วก็คือหลงหลงยาวค่ะหลวงพ่อจะแก้อย่างไงหลงยาวเมื<า>่อก<ๆ>ี้บอกแล้วไงนะต้องมีวิหารธรรม จะอยู่กับพุทธโธก็ได้ท่องพุทธโธพุทธโธไปนะเราใจแอบไปคิดรู้ว่าใจแอบไปคิดคนะท่องไปมากๆานะพอใจแอบไปคิดก็รู้ใจแอบไปคิดก็รู้ต่อไปพอใจไหลไปคิดปั๊บสติเกิดเองเลยรู้รเองจิตขนาดนี้กับเมื่อกี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหม เ, เมื่อกี้มันมืดกว่านี้ดูออกไหม ใครรู้สึกไปอย่างเงี้ยพอรู้สึกรู้สึกนะแจมจะโล่งขึ้นมาสว่างขึ้นมาคนที่เพิ่งส่งกันบ้านเสร็จตะเกียบหลงแล้วขอบพระคุณหลวงพ่อจ้าค่ะอ้าวเปิดต่อไปเบอร์อะไรแล้วล่ะกราบนมัสการหลวงพ่อครับผมหลวงพ่อครั้งแรกก็จากการฟังซีดีหลวงพ่อก็พยายามสุเลยครับเมื่อเมื่อก่อนเนี่ย แล้วก็กำหนดการพิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายด้วยพิจารณาธาตุสีปฏิภูะสุกรมทานจนจิตแสดงก็เห็นไตรลักษณ์ให้รู้ว่าร่างกายเป็นของอืาในการการสุกแกนี้บางครั้งก็จะกลายเป็นสมถะพอใช่ทำอย่างนั้นส่วนมากกลายเป็นสมถะ ฝึกจญสติในชีวิตประจําวันให้เยอะๆหลวงปู่มั่นสอนหลักไว้นะบอกว่าถ้าทําความสงบมากเนินชา้าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านหัวใจสําคัญของการปฏิบัติคือการมีสติในชีวิตประจําวันยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวไปได้เห็นร่างกายมันทํางานไปเห็นจิตใจมันทํางานไปดูอย่างนี้มันถึงจะเกิดปัญญาเร็ว ตอนนี้เพ่งเอาไว้กดไว้ดู อ, ออกไหมกดไว้แข็งๆนะแต่ของคุณก็พอได้นะที่ฝึกมาก็ใช้ได้อยู่ตอนนี้ใจลอยรู้สึกไหมใจมันหนีไปเนี่ยรู้ทันมันตามรู้มไปเลยไดย้มันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงนั้นไปได้แนะอบไปคิดอีกแล้วรู้เปล่ามากเห็นไหมตอนส่งไมลืมตัวเองตอนส่งไม ลืมตัวเองไปเผลอไปเผ<ม>ลอไปแวบหนึ่ง น, ะนะคอยรู้สึกตัวบ่อยๆทำอะไรก็คอยรู้สึกแต่ไม่ใช่รู้สึกแบบเพ่งจ้องเอาไว้ถ้าเพ่งจ้องเอาไว้นะใจจะเคร่งเครียดใช้ไม่ได้การภาวนาที่ดีนะใจจะโปร่งโล่งเบาถ้าภาวนาผิดนะใจจะเครียดเครียดคุณมาลีง่วงก็รู้ว่าง่วงเหมย่อเอาเบอร์อะไรละเบอร์เก้าครับเบอร์สิบ<ห>ยกมือไหนครับ อยู่ข้างหน้านะครับเด๋วเดี๋ยวอยู่หนออค่ะก็เริ่มจากฟังซดีแล้วก็ได้ฟังเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็เริ่มฝึกปฏิบัติแล้วก็ไปที่วัดบ้างนะคะก็อยากจะเรียนเพราะว่าที่ตอปฏิบัติเนี่ยทุย่งทางแล้วถูกสิถ้าปฏิบัติมันก็ถูกแห ล, ละ เห็นก no? really? well, ิเลสไหมล่ะถ้าเห็นกิเลสใช้ได้หนีไปคิดบ่อยๆหรือว่าหนีไปคิดทีแล้วนานๆโอ้ใช้ได้แต่ตรงที่รู้ไปคิดอย่าดึงคืนนะอย่าไปดึงมาแค่รู้ว่ามันหนีไปคิดมันกลับมาเองถูกแล้วล่ะแต่ใจมันยังไม่ค่อยตั้งมั่นนั่นแหละใจมันไม่ค่อยตั้งมั่นะ ทำในรูปแบบนะนไปเดินจงกลมบ้างอะไรบ้างนะทำในรูปแบบบ้างถ้าไม่ทำในรูปแบบเลยไม่มีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ใจจะไม่ค่อยมีแรงหรอกนะอ้าเบอร์สิกครบนวัสการของพ่อคับอยู่ไหน่ะข้างหน้าครับอ๋อ ผ, ผมฟังซีดีของพ่อมาได้ประมาณสักหกเดือนแล้วครับผมจิตตอนนี้จิตตอนนี้ไปอยู่ข้างหน้ารู้สึกหมใช่ครับจิตมันอยู่ข้างหน้า ช่วงเดือนที่แล้วครับมันรู้สึกว่ามันเพ่งทั้งเดือนเลยครับแล้วมันเพ่งจนขึ้นหัวเลยครับอาจารย์มผมไม่แน่ใจว่าพผมยังไม่เห็นตอนสภาวะตอนที่มันเพ่งครั บ, ค, รบคือเราจงใจปฏิบัติมากเกินไปการปฏิบัติธรมที่ดีเนี่ยนะให้สภาวะธรรมเกิดขึ้นก่อนแล้วเราค่อยตามดูนะถ้าเราไปจ้องรอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นการเปิดจ้องไว้เปิดเพ่งไว้จะเครียด ขอคุณต้องภาวนาให้สบายๆเครียดไปซึ่งเป็นรายงานกับพระอาจารย์ครั้งที่สองครับครั้งที่แล้วไปที่ศีราชาแต่ว่าครั้งนี้อยากรบกวนพระอาจารย์พาดูสภาวะจิตได้ไหมครับขณะนี้จิตมาอยู่ที่หลวงพ่อรู้สึกไหมเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่หัวเราะแล้วเอียงหน้าไปจิตหนีออกไปนอกห้องรู้สึกไหม <c oughs> มันหลืบตัวไปแวบเงี้ยรู้สภาวะลงไปแล้ ย, ยังกดอยู่นะ ต้องปล่อยใช่ยังกดอยู่ตื่นเต้นตื่นเต้นเล้วไปกดมันไว้ตื่นเต้นก็ให้มันตื่นเต้นไปอยากให้ตื่นเต้นไหมลุกขึ้นมายืนแล้วก็หันไปโบกมือทีเอาพอละรู้สึกไหมตอนนี้ตื่นเต้นจริงแต่ว่าไม่ได้กดรู้สึกไหมเห็นไหมจิตมันตื่นเต้นร่างกายมันตื่นเต้นแต่เราเป็นคนดูอยู่ห่างๆเนี่ยต้องฝึกอย่างนี้ถึงใชได้เห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางาน เริ่มกลับไปเพ่งอีกแล้วใช่ครับถ้าเข้ามาช่องนี้ไปไม่ได้แนละ้วผมไม่เห็นช่องนี้ทุกครั้งเลยครับให้ใ ห, หยับจงใจปฏิบัตินะพอมันหลุดออกมาแล้วตอนที่มันจะกลับเข้าไปเนี่ย ค, ค่อยรู้ทันหันไปดูตรงนั้นเอาเนี่ยแกล้งหันอย่างเงี้ยใจมันไม่หลุดออกมาทีนะี้ผมต้องยังไงดีครับทำใจทำเล่นๆนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วใจมีความสุขก็รู้ พุโทโธพุทโธแล้วใจไปล็อกไว้ก็รู้นะพุโทโธไปพุโทโธแล้วดูใจไปเล่นๆมันล็อกไม่หยุดเลยครับใือรู้สึกมันล็อกไม่หยุดเลยครับใช่ยิ่งเราเกลียดนะมันยิ่งล็อกยิ่งเราเกลียดเราก็ยิ่งจงใจไปดูมากขึ้นมากขึ้นว่าทํายังไงมันถึงจะหลุดยยิ่งล็อกหนักกว่าเก่าต้องเลิกปฏิบัติแล้วมันก็หลุดทันทีร <c oughs> ้องเพลงเป็นไหมร้องให้เขาฟังแล้วเพลงได้ไหม <c oughs> หลุดออกมาแล้วรู้สึกไหมง่ายแค่นี้เองเห็นไหมยังไม่ทันจะร้องก็หลุดลนะแต่ถ้าร้องแล้วอะไรหลุดนะสติหลุดไปหมดเลย <c oughs> เอาไปเบอร์สิบใช้ได้นะเบอร์สิบเบอร์สิบภาวนานได้ดีละมันจริงจังไปนิดเดียวเองแต่เบื้องต้นมันต้องจริงจังไว้ก่อนเบื้องต้นจะเอาให้พอดีนะทําไปสักพักหนึ่งมันจะอ่อนไปอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ที่ไหน พ่อขายอยู่ทางนี้ค่ะเอาว่าไปเอาแล้วพวกที่จะมาส่งกันบ้านน้มาอยู่ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวหลวงพ่อพิการให้หลวงพ่อเอยงอยู่ข้างเดียวก็จะขอส่งบานพ่ามว่าจะตามหรือเปล่าก็ดูดูให้สบายๆนะดูเล่นๆดูยังมีความสุขแต่ว่าขยันดูดูบ่อยๆ ใจเราเคลื่อนไหวรู้สึกไหมใจเราเคลื่อนไหวตลอดเวลาของคุณเป็นคนที่ชอบคิดจิตมันเป็นคนชอบคิดเพราะ ง, งั้นให้เราดูใจที่แอบไปทํางานบ่อยๆเนีย่ยตอนนี้หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมมันไหลแบบแปนะให้คอยรู้สึกคอยรู้สึกเรื่อยๆใช้ได้สิถ้าภาวนาแล้วใช้ได้ทุกคนเลยถ้าขี้เกียจจะใช้ไม่ได้ อย่างตอนเนี้รู้สึกไหมใจหนีไปคิดนะของคุณก็ดูจิตไปของคุณเป็นคนช่างคิดดูจิตไปเลยกราบนรัส ก, การหลวงพ่อค่ะคือหนูก็ฟังซีดีมาได้ระยะหนึ่งแล้วค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยหนูก็มีความทุกข์เข้ามาแต่ว่าได้ฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยก็รู้สึกว่าใจสบายขึ้นสงบขึ้นนะคะแล้วก็ทุกวันนี้คือบางทีเห็นตัวเองโกรธนะะแล้วเหมือนใจตัวเองจะเต้นออกมาจะดุดออกมา นะ <S <S เหมือนตัวเองกรอดอะค่ะแล้วเห็นว่าใจมันเต้นแล้วมันก็จะหลุดออกมา <S <S <S จากดีลแล้วแล้วบางวันก็เห็นว่าตัวเองมีความสุขก็จะมีความสุขทั้งวนันบางวันก็เห็นว่าเองมีความทุกข์ก็จะทุกข์ทั้งวันอย่างนี้ค่ะมันก็จะสลับสลับกันไปอะคะ่ะคือเลยไม่แน่ใจว่าที่ทําอยู่เนี้ถูกหรือเปล่า <S <S หรือว่าเราเคไปดูเรื่อยๆนะใจเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันแล้วต่อไปเราดูให้ละเอียดขึ้นไปอีกในวันเดียวกันนะเช้าสายบ่ายเย็นใจเราก็ไม่เหมือนกัน าบางวันเนี้ยเราเหมือนกับเราเห็นคนที่เราไม่พอใจเรารู้สึกเราเกเาลียดเขาเราโกรธเขาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราไปคิดในทางที่ไม่ดีกับเขาหรือเปล่าคะมันเป็ น, บ น, นแบบเราก็ไม่มีความสุขเราไปคิดทางอย่างนั้นเราเรียกว่าคิดแบบมีพยาบาทวิตกโทสะก็จะเกิดเราต้องคิดกลับข้างสิคิดว่าเขาน่าสงสารเลยหน้าสงสารจังเลยถูกเราโกรธทุกวัน นี้เราก็ควรจะเหมือนแผ่เมตตาให้เขาทุก<ช>วันใช่ไหมคะการแผ่เมตตาเนะีเราต้องมีความรู้สึกเป็นมิตรกับเขาก่อนไม่ใช่เราเกลียดจะตายนะแล้วก็สบเพสสต้าต่อยสุดได้ก็ดีอะไรเงี้ย <c oughs> อย่างเงี้งงก็ใช้ไม่ได้ใจเราต้องเป็นมิตรกันทําไมใจเราจะเป็นมิตรได้เราต้องบางทีต้องช่วยมันคิดนิดนึงนะว่าเขาก็มีความทุกข์ของเขานะเราก็มีความทุกข์ของเราต่างคนต่างทุกข์ละ เขาก็ทุกโดยตัวของเขาเองอยู่เยอะแล้วเราจะไม่ขอไปเพิ่มความทุกข์ให้เขาล้องทำใจอย่างนี้ไว้<ล>ถ้าเราไปเพิ่มความทุกข์ให้เขาเราก็จะทุกข์เยอะเองคือถ้าหนูไปปฏิบัติไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยความทุกข์ของหนูก็จะลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคความทุกข์จะลดลงไปเรื่อยๆถ้าปฏิบัติถูกนะแล้วก็ต่อเนื่องถ้าฝึกถึงขีดสุดจริงๆจะมีแต่ความสุขล้น้นเลยอันนี้ขอบพระคุณมากค่ะเบอร์อะไรเดี๋ยวต้องตอด้วย กายภาพแล้วเล่นนั่งเอียงข้างเดียวกันนวัสการของพ่อครับก็ไม่ได้ไปส่งการบ้านหลวงพ่อเนี่ยพอดีไปผ่าตัดไซนัสมาแล้วหมอเขาก็แพ็กจมูกต้องหายใจทางปากสักสองวันเขาก็ขู่ไว้ว่ามันจะทรมานมากแต่ว่าก็ความทรมานมันก็แยกออกมาครก็ครูบาอาเคยให้คำแนะนําก็คล้ายๆกับว่ามันจิตมันจะเวทนามันแยกออกจากกันก็ไม่ทรมานมันก็ผ่านมาได้ด้วยดีครับแต่วันนี้เนี่ย ตอนเช้ามาฟังสีดีแผ่น25แผ่นใหม่เนี่ยก็จะค่อนข้างสงสัยเยอะครับเริ่มมีเถียงอย่างเช่นฟังหลวงพว่อก่อนหน้านี้ก็มีครับโมยเล็กตัสอะไรรับเยอะแยะเลยคนละเผ่ากันคนละพันธ์วันนี้คือผมคนที่นครปฐมเนีครับพาคุณแม่มาด้วยอยากจะขอคำแนะนำคุณแม่ครับนั่งอยู่ข้างลังนะครับเดี๋ยวคนอื่นเขายอมปล่า <laughs> ไหนคุณแม่ยกมือโอ้คุณแม่ดีใจดีใจก็รู้ว่าดีใจไปนะฟังซีดีบ่อยๆนะฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจมันตื่นขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่าแต่และ ว, วันลูกเราน่ารักไม่เท่ากันบางวันก็น่ารักบางวันก็น่าเกลียด น, น่าตีรู้สึกไหมเนี่ยแม่พยักหน้านะเนะนี่ยคอยดูใจของเราไปเรื่อยๆใจเราไม่เคยคงที่เลยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะ เอาเบอร์อะไรต่อไปนมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะหนูฟังซีดีหลวงพ่อมาตั้งแต่ปี49แล้วคะ่ะแล้วก็ได้เห็นแบบบางครั้งก็ไปเห็นความอยากของตัวเองบางครั้งก็ไม่ต้องทําอะไรเลยก็เขาทํำของเ้าเองหดทํากับข้าวอะไรเงี้ยคะ่ะหลวงพ่อคะทำที่อยู่นี้ เห็หรือถูกเจ้าคะ่ะถูกสิเห็นร่างกายมันทํางานไปเห็นจิตใจมันทํางานไปมันไม่ใช่ตัวเรานะดูไปไงั้นถูกแล้วละ่ะแล้วหลวงพ่อเมตตาด้วยเจ้าคะ่ะเพราะว่า <ใจ S 1> โอกาสที่จะเปใจมันนิ่งเกินไปเจ้าคะ่นะใจมันติดความนิ่งเกินไปใหมันค<ะ>เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงบ้างเจ้าคะ่ะอย่าไปประคองให้นิ่งเจ้าคะ่ะอ่ะไปวันต่อไปขอบพระคุณเจ้าคะ่ะ กราบนำ้ำพระศการหลวงพ่อคะ่ะโยมอยากเรียนถามว่ากรรมฐานที่โยมปฏิบัติเนี่ยถูกหรือยังคะใช่ท่า ย, ยัางคะพูดอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาว่าหลวงพ่อ <c oughs> ค่อยๆสังเกตนะสติ <c oughs> เรามีจริงๆหรือเปล่า <c oughs> เราภาวนาแล้วเราเครียดเกินไปหรือเปล่า <c oughs> สังเกตไหมเราภาวนาแล้วเราไม่ค่อยมีความสุขคือ <c oughs> <c oughs> คือโยมนยคะมีธาตุไฟร้อนร้อนมากนะเจ้าค่ะน้องไงล่ละธาตุไฟเยอะเหอค่ะน้วเป็นไงไม่เห็นจะเป็นอะไรก็รู้ว่าร้อนเจ้าค่ะอืมเราก็คิดถึงอะไรที่มันเย็นเย็นไหมค ะ, ะเจริญเมตตาไว้ให้มากๆานกะแล้าใจของเรามันไม่ใช่ธาตุไฟอะไรหรอกมันมีโทสะเยอะค่ะโทสะนั่นแหละร้อนมากน ะ, จะเจริญเมตตาบ่อยๆนะแล้วก็บางครั้งนะคะ จิตเนี่ยรู้สึกก็จะทำงานเองนะคะทำกรรมฐานเอง<ม>แล้วก็เพ่เมตตากวดนา้าเ<ม>จ้าค่ะคือค่อยๆฝึกนะจนใจมันตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงจิตของโยมมันยังไม่ได้ตื่นขึ้นมาจริงเราไปภาวนาเนี่ยมันยังเป็นสมถะอยู่ยังไม่ขึ้นวิปัสนาเจ้าค่ะอยู่แถวนี้ก็มาขอความรู้จากหมอนัดเขาก็ได้น ะ, ะหมอนี่ก็ได้ขอบคุณส่ รู้สึกไหมจิตขณะนี้คลายกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมเมื่อกี้มันเครียดใช่หตอนนี้มันคลายออกจิตมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นดูไปเรื่อยๆนะสาธุเชยคะสาธุแปลว่าดีกราบนมิการพระอาจารย์ค่ะยันเคยเดี๋ยนะเดี๋ยนะเมื่อสิบห้าหลงแล้วรู้สึกไหมเผลอไปตั้งนานตั้งแต่ส่งใหม่เลยลืมกายลืมใจ ยมคอยรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆนะขยันภาวนานะดีแล้วแต่ต้องรู้สึกกายต้องรู้สึกใจเชิญค่ะกรับพระอาจารย์คะยันอยากกลับเรียนว่าเคยได้ฝึกปฏิบัติโดยเริ่มต้นการปฏิบัติในลักษณะของการปิดวาจาคือรอู้สึกว่าเคร่งเครียดก็ได้พยายามทานะคะหลวงพอ่อแล้วก็เป็นแต่ละปีก็มีโอกาสได้ทาในลักษณะของปิดวาจา แล้วก็เมื่อได้มาปฏิบัติเองที่บ้านเวลานั่งสมาธิก็จะรู้สึกตัวว่าคือจิตตัวเองจะกำหนดว่าอยากจะรวมให้จิตตัวเ อ, เองนั้นสงบแล้วก็เป็นหนึ่งแล้วเขาก็ไปได้ก็คือรวมแวบแล้วก็รู้สึกว่าชอบตรงนั้นว่ามันสบาย hmm. แล้วก็มีความรู้สึกคือได้ฟังหลวงพ่อวันนี้ก็ทราบว่าเราลงอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ไม่ไปไหนอยากกลบเรียนว่าในการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาจริง แล้วให้เกิดอย่างสบายๆนั้น ม, มีวิธีการอย่างแรกเลย<ด><ะ>อย่าไปบังคับจิตอย่าบังคับจิตนะโยมยังฝึกบังคับจิตอยู่เราปล่อยให้จิตทํางานให้จิตมันกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันกระทบไปตามธรรมดาพอกระทบแล้วก็ปล่อยให้มันกระเทือนกระทบแล้วมันก็ยินดีบ้างยินร้ายบ้างก็เพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงเราก็แค่มีสติตามรู้ลงไปเรื่อยเห็นมันทํางาน เห็นมันกระทบอารมณ์นะเห็นมันกระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงดูมันไปเล่นๆอย่าไปบังคับมั น, นการปิดวาจาเนี่ยท่านให้มีความสำรวมหมายถึงมีสติสัมมาวาจาไม่ได้แปลว่าไม่ให้พูดใช่ไหมสัมมาวาจาพูดความจริงใช่ไหมพูดโดยเห็นมีประโยชน์พูดประกอบด้วยเมตตาพูดถูกกระราธธะเทศะพูดสุภาพอ่อนโยนเพราะฉะนั้นชาวพุทธไม่ได้ฝึกให้ไม่พูดนะ ไม่ใช่ว่าอยากรักษาศีลไม่ผิดศีลทางวาจาแล้วก็ไม่พูดการถือศีลไม่พูดเนี่ยเป็นวัดชนิดหนึ่งวัดตละชนิดหนึ่งชื่อหมู่ขวัดวัดของบัวบัวไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะานๆของเราพูดแต่เรามีสติเนี่ยว่ามีสัมมาวาจารู้รสึกไปคนเราจะพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพอเจอร์อะไรที่ผิดศีลได้ เพราะว่าขาดสติกิเลสมันครอบงำจิตงั้นเราฝึกสตินะเราก็วาจาของเราจะดีเองมีสติไว้เรารู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจนะกิเลสครอบงำจิตไม่ได้วาจาเราก็ไม่ทำผิดจากการนักสการถาม